เนไปไหนมีเโซซัดโซเซนะนี่คอยจะจะหกรถบนะเดี๋ยวนี้อ่ะไม่มเจะ่อน ย, ยิ่งนั่งแล้วลูกขึ้นเลยโซซัดโซเซไปเลยนะนี่พระมีเท่าไรกัน่นีส้สองนหนะ ห้าสิบสองทำไมพระถึงมากนะผมกับกับกับขั้นจิตใจไว้เนี่ยไม่เลยห้าสิบมันไปนยังมันจะเลยไปได้ เ, เป็นเพราะอะไรก็กําหน ด, ดไว้อย่างตายตัวว่าห้าสิบมันมันไปยังไงมันเลยเถื่อนเลยนะพระเหล่านี้ยิ่งเวลาผมไม่อยู่นะมันแซงนั่งแซงนี่นะอันนี้สําคัญมากนะเหยียบหัวลงไปทุกวันทุกวันนะเหยียบหัวผมนะยิ่งแก่เท่าไหร่ลุกล้ำของมาลุกล้ำเข้ามานี่นะ มันเป็นยังไงพูดไม่มีเขียนมีเดานยังไงกันเงยมือพระเข้าไงมือพระใหม่สเอ็ดองคงยย่างมือไหมเงเย่มีงยอย่างอะไม่มีอ๋ไม่มือเอามากับอากากปวุมกันก่ อันคืออะไลับาเาคบคุมวันคืออะไรปมาที่สองมันคือปีสองก็บวันเดียวกไปก็ผมกลับไปสวนแคาคนมามากว่างั้นไงมามากคือแคบคือแค่กระทรวงกัเงนก็ได้มาคือวัดอีหรือเปล่าได้มาแล้วมายอรฮะมาครับ อมาแล้วยังไม่เสร็จยังอดไม่เสร็จสงฆ์ยังคำอ่ะสงฆ์คมาคือแค่คุมค้างมาอยู่ ม, มาเ้างว่าคือจำพรรษาสะดวกับายมันก็มันสบายเนงะีนยวันที่สามก็กลับไปไปอื่อไปเจอที่กรมประชาสั ม, มพันธรรร์ฟังว่า วงเงี้ก็การเหน่อนใหญ่ๆมารวมไปเงี้ยหมดว่างอันเงี้ยเหื่อนง่ายกับเง่อนง่ายมารวมทำเก่งเจ้าภาพว่างอันไม่มันเงือนมีเงือนผมจึงไดรับไม่งั้นผมไม่รับนะผมเหนื่อยมากแต่แต่ครัางอาคารเหนื่อยเหนื่อยมากนะไม่เหมือนกับก่อนว่างเ่งบอกว่าการเชิดไม่มีแต่มอที่เท่าที่จาเป็น ให้มอเหมือนตก อ, องนะไม่ได้ล้วก็บอกว่ามือก็จังเท่าซื้องายเนี่ยเขามาเรื่อยๆนะกลางเทกซึ้องายซึ้งายก็นมันจะใหญ่ๆเขามาแล้วเราก็ยิ่งอ่อนลงเสียงเนี่ยเนะียมันเก่งยงไงจมูกเนี่ยเสียงแหบคืออะไรไปคูดขี้แยไม่อยากได้ชอด้วยความนะ กางไปกางเข้มะมันค่อยจางไปจางไปเสียงค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็ลำบากอย่าะงอบไปมันก็เสลื่นไม่ได้หรอใครคุณเด็กใครจะเจือนบ้างนะก็เตือนกันยู่มันเป็นอะไรเสียสงิจะจางไปยังไงเนี้ยกันยังไงพาเราดูแกไหม ครกันสร้างขึนใจยใเราควกันนะเพื่อให้มันรวงติดเข้ามาไม่ให้มันส่งออกไปนอกนี่มันส่งออกเงอกนะบางเข้าใจจจิออกข้างนไม่พองเลยก็ตีกจังก็มันก็เพิ่มไปจางกันยาวลของตัวเองนี่ยมันปรุงออกไปเพื่อแบบว่าให้เกิดงมานให้มันขับยาม คำบริกรรมให้อยู่ภายไนให้มีสติกีจ้าอยู่ให้บอกมนันนะอย่าให้ส่งบอกว่าห้ามไม่ส่งเลยเพราะการส่งเนี่ยจะเป็นเหตนแบงมันส่งไปยื้อเยื้อยื้อยาวอาจารย์ยื้อยาวโก็โยงไปจารย์นก็เลยไปเลยสักกี่อยู่กับกลัวไปไปกับนั่งไปเลยทนี้ให้ย้อนกลับมาให้บอกใ ห, กให้มันอยู่ในคำบุิกรรมคำไหนที่มันเคยอยู่ สอนอย่างน่้นนยบอกให้จังใจจริงๆห้ามไม่ให้ส่งออกเลยแต่นี่ตไปบอกว่าห้ามขาดไม่ให้ส่งออกให้หอยู่ภายในอยู่กับตัวสักทีอยู่กับตัวอยู่กับกายของตัวอยู่กับคำปฏิกรรมแล้วมันจะค่อยสักทีจะค่อยอยุวงตัวเขาจะค่อยยุ่ตัวยู่ตัวต้ารไม่เตือนไม่ได้ต้องเตือนเวลานี้จิตส่งออกมากทีเดียวนี่แหละที่เป็น ถึงกระดาเสียติเราคือเผลนไปตามอารมณ์กของรู้อะไรรู้ก็ตามอารมณ์นั่นแหละสัญญาอารมณ์มันขาดไปหมายไปเห็นอะไรเผินไปกลับมานั่นไปเรื่อยๆนี้มันก็เลยไปเลื่อนลอยอย่างนั้นสติไม่มีมันก็เป็นบ้าไปแล้วมันไปอย่างนั้นมันต้องถามให้รีบสอนัันนะให้รีบสอนกันน่ะ สอนเรื่อยมาเตือนไอยหรือเราเดินมาเองก็ได้มาเตือนมาเตือนเลเรื่อยสอนเรื่อยให้ผู้สีอยู่แล้วกันก็กำชับกำชาสอนกันเรื่อยๆไปทีอย่างท่านเด็กก็อยู่ด้วยกันวิธีการที่สอนก็บอกแล้วนี่ห้ามไม่ส่งออกนี่อันนี้เป็นภัยมากที่เป็นเวลานี้ขเขาเพราะกระแสของจีบมันออกเป็นสัญญารมมันก็หลงประจำสัญญารมไปเรื่อยไปอะไรไปใหญ่อ จิตมาย้อนเข้ามาสติเขาไม่เลยไม่มีเลื่อนลอยไปตามไปเลยให้จิตย้อนเข้ามาให้อยู่ในวงกายให้อยู่ในกับคําบริกรรมให้อยู่กับตัวว่างนี้เลยแล้วไม่บริกรรมก็ให้สติอยู่กับตัวให้บริกรรมนะสําคัญบอกว่าห้ามไม่ให้จิตจงมีสติตั้งอยู่นี้พยายามตั้งเอาไว้ไม่ให้ออกบอกงั้นเลยห้ามเดาดการออกถือว่าเป็นเป็นภัยเป็นอันตรายให้บอกนั่นนะ ให้อยู่ในนี้ไม่เป็นบอกแล้วต่อไปมันก็จะสั่งสมมันสติสติคอยตั้งขึ้นความรู้ก็จะเด่นขึ้นอยู่กับตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ที่นี่ก็ไม่ออกจิตจะออกก็รู้ถิงจะเข้าก็รู้ถ้าสติอยู่กับตัวแล้วอย่างนี้สติไม่อยู่กับตัวนะมันเยอะๆค่อยๆไปหมดแล้วมาจะเห่าเวลาแค่เดีนวเห่าอกเหอนกันนะก็เหย เวลาเทศเนี่ยหมาจะเหา่ามากวนเทศนะเทศสงบสงัดเท่าไรยิ่งดีพระเนีนมากมายนั่นหลังอย่างนี้แหละคันเวลาเทศแล้วหมามายุ่งเย่างนี้ยมันมันทําลายเทศนะเพราะเทศภาควันดีวันจะไม่มีอะไรสงัดเท่าไรยิ่งดีมีจะทำก็ผิดออกพุ่งพุ่งแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นแหละสะดวกมาก ถ้ามีอะไรมาปัาบของมันล้มล้มบางั้นประเทศที่ไหนยังต้องเตือนเรื่องเสียงผมก็ ง, งดตั้งแต่ปีแปดสิบมานะการเทศสอนพระสอนอะไรงดมาจากถึงนั้นว่าจังงดไปเลยนะแต่มันก็เกี่ยวกับทางชาติบ้านเมืองเข้ามานี่มันมันก็เลยไปทางนู่นที่นี่เลยไม่ได้หันมาทางพระว่ามันจะเบาลงไปมันก็เป็นอย่างนั้น มันก็เป็นไปตามบุญตามกรรมเองจะว่างไงไอ้คิดแต่คาดมันก็เป็นของมันแล้วม่มีอะไรกับโลกมันก็เลยได้ได้เกี่ยวกับโลกนี้่เราจะมีอะไรจิตของเราเราพูดจริงๆเราไม่มีอะไรในโลกสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนี่หลักธรรมชาติของจิตแท้มันว่างยุ่งหมดทั่วแดนโลกธาตุ ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านเลยอยู่คนเดียวนี้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยุ่งกับอะไรนะนั่นเป็นความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปอยู่ไปกับธรรมชาตินี้เป็นพื้นฐานอยู่นั่นแล้วไม่มีอะไรกวรนี่ละอำนาจของจิตที่ฝึกหัดได้แล้วเป็นอย่างนั้นมันตายตัวแล้วทีนี้ให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้เรียกว่าอาถานะแล้วเป็นธรรมชาติตายตัว จะให้เป็นอะไรอีกก็ไม่ได้ให้เจริญขึ้นหรือกำเริบเสื่อมสารอะไรก็ไม่มีทางแล้วเรียกว่าตายตัวผ่านแดนส ม, มุติไปแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทางนั้นแลวความเปลี่ยนแปลงอยู่ในวงส ม, มุติทั้งหมดอี่เข้าใผ่านนี้ไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นกฎอันนี้จังทุกขังหนาตาจึงไม่มีอันนี้อยู่ในวงส ม, มุติ